นที่เป็นหมอรวมกันอยู่นั้นห้าหกคนดูอยู่นะ้ายเสียงเดียวกันแล้วก็ยืนกระต่ายค้าเดียวจะกลับเอ อ, อเอายันแยกอีกนะเหรอก็แยกอีกม่ติดเข้าไปห้องใหม่อีกแยกอีกอตัวไม่มีอะไรขร้าบ้านแมี่ยไม่ก็มีเรื่อย ก็ยังบอกอยู่แล้วเล ม, มีอะไรมานี่หมอไปรับมามาเพื่อเพื่อหลงใจของหมอต่างหากผมไม่ใช่้ารักษาโรคนะอย่างนี้ผมคงจะเป็นแบบนั้นพานาอยู่ที่เขา โ, ฟโฟเหนปอดไม่ดีเพราะสุบขทัยอู่เ่อกอนิม์มดีจะอยู่นี่เห็นมันเป็นอะไรเปิดเทียบฟังมอะไรก็ได้ไปแบบนั้นได้ไม่เอาใจใส่ในการสดงรอบฟัง เทปมันไม่ใส่ชี้เด่นไม่ใช่ตัวจะไปสวรรค์นิพพานนะเทปคนต่างหาี่ีทำดีทาชั่วนะผ่าทอะไรต่ออะไรมีแต่เทพปแต่เทปทานั้นสมัยนี่มันสะดวกจนเกินไปมันท่วมจนเกินไปมันกอดตาอย่างว่าแรงเกินไปมันกอตายมันไม่มัจฉิมมาปีบปะทาเดี๋ยวได้เจ้าสอนเนี่ย หาแต่ความสะดวกหาแต่ความสบายคนก็เลยจะเดินอเป็นแหละไปที่ไหนมีแต่รถแต่เรือไปกรุงเทพอัดแอติดแน่นกันขายรถนี้หมดคนเดินเลยติดอย่างนี้เหรทางนิดเดียวก็ไปถึงให้ติดแต่ไฟดำไฟแดงอยู่นั้นจอแจกันความเจริญด้านหนึ่งเสื่มด้านหนึ่งอย่างว่ามันเป็นคู่กันมันมีเงา การแนะนำพล้มสอนก็ไม่มีเครื่องขยายเสียงไม่มีเทียบบันทึกปากปล่าเขาจะเจ้าสอนคนจำนวนแสนจํานวนหมื่นก็ฟังกันได้ยินเพราะต่างคนต่างตงใจฟังไม่พูดไม่เอ็ดก็พอฟังได้เพราะต่างคนต่างจ่องที่จะฟังท่านจะสอนอะไรก็ผิดถูกดีชั่วที่จะนําไประพปฏิบัติ ทั้งใจฟังเหมันการไม่ไอไม่พูดไม่คุยก็ได้ยินเสียงถวถึงแต่สมัยนี้เสียงขยายเสียงดังไปตังหลายกิโลหลายร้อยเส้นแต่คนก็ไม่เห็นว่ามันดีประเสริฐขึ้นมีแต่วแต่เร็วซามลงไปเรื่อยๆื่อย <c oughs> <c oughs> มันดังจนเจ้าหูจะแตกเครื่องรับมันไม่มีเราจะเทียบเป็นเครื่องรับ คือนี่กูพูดธรรมะกันเน่นหน่อยรวงตาของขี้เกียจนะพูดธรรมะเม่สาวาขเขาเป็นยังไงถ้าหองเงินอื่นเถอะเกียร์อย่างนี้ก็คงศาสนาคงพังไปนานแล้วคงถังกระยันมันเพียนในการแนะนก็มี บงทีเกียดจริงๆยังจังกว่ามีไม่ว่าสมัยนี้สมัยก่อนพระเจ้ายังทรงพระสนอยู่สาวกคนรับเอตตะค้าต่างกันคนนั้นเด่นในด่านนั้นก็ย่อบยองสารเสิ่อให้คนนี้เด่นในด้านนี้ก็ย่อบยองสารเสิ่ให้พระองค์ที่ไม่สอนใครเลยพระองค์ก็งชมเชยสารเสื่ออย่างคนทัญญะ ควาสำเร็จอรหัตอรหารก็เข้าป่าไปเลยอยู่แต่ในป่าในเขาไม่ออกมาเโยวข่องกับสังคมจนวันจักรีนิพานมาลาพระพุทธเจ้าพระทีอยู่ในแถวนั้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่มีใครรู้จักท่านเขาทำสำเร็จอรหัตแล้วท่านก็เข้าป่าเลยเนี่ยไสอนใคร หลวงตาตัวนี้มาจากไหนก็เพราะว่าฉะนั้นพระเจ้าได้บอกว่าเนี่คี่ชายใหญ่คนทัญยัของพวกเธอถึงใคยรู้จักถ้าไม่สอนใครจะคงมีอะไรเสียหายนะถ้าถึงที่ถึงฐานจริงจังมันคงมีอะไรเสียหายนะการสอนก่อเกื่ออยากให้คนอื่นรู้จักดีชั่วผิดถูกเท่านั้น เขาจะทําตามก็เป็นหน้าที่ของเขาเขาไปทําตามก็เป็นเหื่วยของเขาเราไม่เห็นหว่าจะไปได้อะไรจากเขาความสุขความทุกข์ก็มีอยู่ในเราเราของท่านบริสุทธิ์อย่างไรท่านก็ไม่เคยเสียหายไปไม่เคยสอนท่านก็ถึงวันไปริพานน์ท่านก็ไปริพานไปเหมือนกันกับสาวกถั่วฝายท่านไม่มีการกังวลเกี่ยวข้องกับคนอื่นพูดแต่เจ้าก็าไม่ได้ตำแหนี้่งคนทันยานี่ สำเร็จอาหารอาหารแล้วก็หาความสุขเฉพาะตัวไม่เกี่ยวข้องแนสอนใครพระองกบเลยต่ำหนีแล้วเสด็จชมเชยว่าคนทันยันสลัดชอบวิเวกสงบไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ความจริงความบริสุทธิ์นั้นถึงยุ่งเกี่ยวหรือไม่ยุ่งเกี่ยวมันก็เป็นความบริสุทธิ์อยู่ตายตัวอยู่แล้ว แต่ยุ่งเกี่ยวถาดขันมันพังง่ายเหมือนรถเรือของเราใช้ไม่มีประมาณมันก็พังง่ายไม่บอกของอะไรทั้งหมดถาดขันของเราก็เหมือนกันถ้าไปยุ่งเกี่ยววุ่นวายบ่อยๆแล้วก็ทํางานหนะักเกินควรมันก็พังง่ายเสียง่ายถ้าประหยัดใช้พอสมควรเก่บเหลืองราวของมันมันก็ทนทานไป ว่าถาดขันหรือไม่ว่าวัส ด, ดุอะไรเป็นแบบนั้นอายุของท่านก็ยืนคน น, นี้ตั้รอยยี่สิบปียุ่งตลอดมันมันมาสร้างถ้ำมันมาจินค้นกัดเอากัดเอาคนณอาไปจินอีตานัน่นแล้วโมแพงหอยทั้งสรอยู ก็หนอก็หนอเจ้าคนหลั ง, งไม่ออกมึงเหเก็บดีเจ้าดีแม่หนูแม่เหมียนบรเวนมานเนาะพ่อีินเอ็นไปวัดไก่เมอนที่หายาคู่ยงเอที่ ทำีบบ น, น <Stella> ่ะไาอย่ยอะสิอย่ย่ะ่ออมบ่งม แม่ยงไนบอกแม่จังไหนบอกร่างรู้้ายานทั้งหมดทังใหม่โบเหี่วบิดยายมันดีฐานเกินใหม่โ่แม่ป้ายาเจ้าโอ้ยใหม่พนทังใหม่โบเหี่ยวไปสายใหญ่ยอด แต่ว e <c ười> ่าเีมัน่พนั่นเาพันแล้วมันสูบต้อยมันจิบใจเหมือนคืองใหม่ล่ป่าเขายงบอกว่าเหวี่เนี่ยเว่มันหมดตัวนะฮะทั้งน่กีเลยเ็นดอกแล้วกัปัญญาดีอยู่ยี่นอ่ีนี่มันจีบมาจอวันธิฐานว่ วาใหม่อาดีดีอืมูแค่มองเก้ามันเปลี่ยนแค่จังไหนที่ไม่สั่งให้นินใจอีก บมืงหน้าก uh, ูมวงเกาเห็นมันหวานเจียบเ้กูมองเกาเห็นมันจางเียบเมื่อกี้มันเผ็ดอยู่สั่นเกือเห็นมเกาเห็นใจมันแคบอยู่น้ำขํายู่บานมเสียบาใหม่น้ำขํามหดว่น้มันบ่น้ามันดี มันนำมันเป็นข้ามันนั่นนาตื้นอี่างน้นยังกับดินการปลูกที่พ่นกับใครก็ินธรรมดาอยู่มันใช้ยามันไส้ไปอันนั้นเขาปลูกกันปลูกย่ำนีเลยเริ่มปลูกกับเรีนาปลูกน้าน้าขอกวายของงัวเขาเขาพอได้เอางัวควายเขาเอออเพื่อทั้งเฮาเรือกอนเขาหลอมเอาไว้หอนย่ำ นี่มางวบควายเขากวายขึ้นพูด้ลยว่าเรื่องไลยดูดอกห อ, อย ง, ดยยงยดย่ดับหน้ปปาแลาา้วนี่ควอยงวบควายเขนพูดบดแล้วปลูกยาฮะไม่ดีเมาหนีโอ้ยถูกไปพันปลาเถิงบ่ได้หรอเถิงนี่ตั้งตัวง่าหมึนบินบือลดนเมาดีาแค่ ปลเมาเาอีลินน้องแกนั้นฮาปลูกน้ําหมองง้อหมองกล้วยนอนมันกน้องสูงน้ำแต่น้าบินแต่มันแห้งลงไปแล้วถ้าจะปลูกเตะนั่นแหละเตะบวกง้บวกกล้วยขอหน่อยแยะไว้บ่ได้ฮดน้ำดอกห่าง่ต้นง่ามต้นใหญ่ไปไหนเอาลักษณแจ้งใหม่ดีเมา นี่เป็นน้ำพันธุ์ยาเนี่เราตงเก็บบ้างยายวานวันไหวไงเด้พวกคนได้ผนเด้เขาแว่นลี่ได้เนี่ยไว้ถุกขูดจีบเห่ายี่หองหนึ่งที่เามันแกงพวกบวกอเป็ตถูกอีแล้วก็ควรจะถูบยาดิเขาจะไปใส่ให้คนโคยาก่ะ ย้มาเท้ามามนเตี้ก็เลอกนุกไปครับพ้นยาย้มหนาวๆที่เป็นใจขาค้นหลหนหายามันเป็นสินค้าหนึ่งในบ้านเลาแดดบกทิกฝ่ายเอียงก็ยุ่งกับยาแหละย้มแรงมากเขาบานจะกวนเขาไปได้หรอครับบุไปทางทิศเยน ตวนยามันติดเป็นผืดไปป่านนีไปเนมันนะวัดแค่เธอได้หรือเธอได้สั่งมันปลูกยาปลูกไร้ดี้ต่สมัยนีนมนนย้มันคือเกาดองควาย ม, มันนี่หาคุา๋ถ้าปุ๋ยเตยยากฉันพูดเดปลูปกอันนึงก็ไปปลูกน้ำให้น้ำหน้า ต้องตัวแต่กว่ามันปลูกนัจีนบ้านันใกล้็สขนุกสนานอีเด้อรอบกงดยาบวกผูบาผู้สาวมีมุมมีขวางมันก็ม้วนมือมันตลาดถึงคนเอาปุ่นไปใหน้าเขาคนวะได้บ่คอยมีผูไปปลูกไปนันปลูกหน้าใส่นามัน บ้านเท่ากับมเมื่ออ้วนเขาจะบวบผูกปันไหนวูุ้คนคอยเห็นคนผูกหยาปันไหนเมืเอ่ออ้วนกวนบ้านเดี่ยวคืออะไรบ้านมันที่ฐานมาอยู่ทั้งสี่คือกันทันล้วส่วนมากันหลากไปมันมีบ่บนมาสือมาขายมาอันนั้นเลยไปเ้าหน่า อิตาหน้าเหมือนว่ามนาจะต้องคุกอนตัวไม่ชิมเข่าอยู่นี่อิตาปากเวียงนมเร่อแสนวันถายทำนแล้วเฟ่บวดได้เลยบวดอตาเงินเอายาวมาถวายมื่อ้รสิกับแล้วสิคือกันตันมะถวายหืมย่ดสายของคุณสิเรียบวังลักษณะคือสิ นั่นก็จีดีมแต่ในพระพระบาบาบ่บออนี่ก็มึงมีบ่อวะบนยังขุดแถเพียงยังคุกแต่ถ่าวาหันนะเคยไปอยู่บ้านมุน ชาบกเพียงยงขุดรามอคือใดยี่สิบสีุ่นมาใครมาเพิ่ม ไช้มาเพิ่มอีกคือยังในพ่อยี่สิบปีตะกอนคือยังในหน่อยก็นันเนาะน้องกุ้งในยักค้อนหนึ่งปีนสองหมดกุ้งทายในวันได้ยักค้นตายวัดโอ้โหเหรอ การนี่งานนี้หนังมีละครว่งมันสลานอย่างนี้มีบน น, นังได้เนาะวิชาว่าเคยมากเลยแม่อุ้มดูกปูก ม, ม, ม, ม้าเวลามาภาวนามาสร้างถ้ำธรรมดามันขี้คันแต่เด้พ่อปั้ น, นรรกันกับจูงม้าลงน้ำกันเสียกุดมือวันห น, <c oughs> นึ่นงอ่อนหลอด ใ็ของมนุษย์เท่านี่ตั้งสิรแอบวะบพว่าเพิ่นว่าโตกหลายลายสูดริ้อเื่องอันนีเลยแต่ว่าแต่ว่าหลังจากข้ายังไม่ให้บทไปอยู่ได้ไ่วางคนกีลายคนไหนได้คื่บ้านนั้นอดร้นพามาผัวผู้แสพผู้สาวเขาไปทำวัดไปวัดกันได้ก่อสีเดียไป ลอยอยู b àn, b à, à, ่ในบานโบเห็นต้องเด็เข้าวัดแ่ะใส่ช่างตูมเง่ข้งมูบ้านใยือกหมืนเงดาว่าดาบว่าดาเงาใหญ่เนี่ยบ่ได้หอน้ำหมู่ มามบวชมันไม่เหนข้อหนาเก่งหัวเจ้ากจะขอโง่ไรบ่ได้หัวน้โมแจตัวได้เป็นถัดจเป็นตัวได้เป็นถัดมาตัดน้ำกันมั้ยกูยิ่งโง่กว่านี้เด้อใชบ้านหันเจงเดี้ยเด็กน้อยผูยิ่งมันเขาทาวัดทาว่าสวดนั่นสวดนี่เจงตัวเขาฝึกเขาหัดโถมันบ่ได้บวชเด็กนั่งแจ็คยัเขาไกลบ่ได้แล้วย ทางหลังพ <c ười> <c ười> ี่ดอกไม้ก็ว่ากันว่ามันแย่ได้บดีตัวละเป็นแต่เป็นบาปที่มากี่ยหน้าแหละโอยว่ามันหัวจอีหยังเนี่ยนีแต่แต่หล่นแต่เพื่อน มันแังมี mile mile ่เหรออันข้นประเภทเดียวกันไปยาไปยิ่งก็ไปนั่งนั่มมอวผละพอได้ยหยอกเลยกอดกั็นเห่นย่ำพระเพลเดเพินี่ยเขาปีนหนาไปทั้งเดียวเด้เขาไปเดียวหลังมาฮาเบิร์เบิรเข้าดอกพรเทศนนั่นเช่าเนี่ยอยู่ฟันป่าเขาต่ว ที่ย า, า, าหน้าเหโอเล้าหนดมูเป็นธรรมดาไปอยู่ดอกไปวัดไปเรืยอยุกพอดีมานตัวกันสีดำเสมออนอู้ว่าแต่ม่อใ ด, ดเมื่วมบวชหี่สีเป็นยีตัวนึงสำคัญ อ, อย่านี้ด้ ก็ <ata> ยังไคุณหญิงกระุนรัดแล้วว่าดูลักษณะของทนายจารย์เป็นคนคนไม่ลงคนคนจริงคนหนึ่งถ้าหากเป็นขราวาดแต่เป็นข้าราชการแล้วก็ถ้าไปในทางดีๆมากถ้ า, ากไปในทางชั่วเป็นมหาโจร เป็นหมอดูร่งฟ้าดูลักษณะเดียวแมีนอยู่ใจมันด่างอยู่ด้ขาค้นใดสบายสั้งเกียรเบิ้งใจขาค้นใดสบายแขนมันสีขาหรือว่าเป็นฟองเลนเลนเพราะันกันครับ เขาเรียนอื่นมันมีความจริงในใจอยู่แมันเจ็บใจแบบมันเจ็บอิรี <c oughs> มันมวเจ็บธรรมดามันฝังเลึอกอยูอย่จอดมาบวชเือกันว่าเฮ็ดไปอันนั้นเฮ็ดอันนี้ไว้มันต้องเฮ็ดตามความตั้งใจไว้ถึงสิมีอุ ป, ปรสรรค ขนาดใดมันจะต้องพยายามทําคิดเบื้องคมดงเขาองมาหามเบดบานเบิดเมืองไปว่าได้หรอไปแต่สายแค่เขาดงนี่มันโ ม, ม, มีสะ่รู้นงทางคนอยู่ในหมู่บ้านนี่เขาบอกเป็นฟิปหรอกไปว่าได้สร้างเสือมันขึ้หมู่ไกลนี่นะว่าแต่เ ข, าข้ากับบุเคยไปขเคยผ่านยาเกียแต่ห่างตั้งใจว่าสิไปแล้วไปตายใสีตายห่ามัน มันเอาแบบนั่นนั่นก็อมือายหรือเป่ามือห่อนมือมันติดเอียงท่ามเอียงมันเป็นหินหกักล่เหล็กลอกลองต้องเอายางนั่นให้ได้โม่ค่อยเอามือเขียนจีนหลบ ที่มันถอดถอดปลาตัวจีิดมั้งโอ้เจ้หมายลันทรงวันอุ่นเราออกขันสามเขามาบอกไว้ผมเจี๋น้าผู้ใหญ่เด้ถ้ากันฮาดก่อนฮารล่ามไเด้อฮาร์ดเยแบเบิงมาพักน้ำแย่เด๋เอาอ่ะคุณหญิงอ่เดคนหนึ่ง แนสชนชนอ้อนหนาที่ดินต้องประเทศเป็นกลมที่ดินผู้ใหญ่องประเศคก็ลองสวลัดลองสัดเงิเป็นผู้จัดอันดับของการจัดการที่เรียนกันกันตองพ่านสองเท้านั้นนะหวพ่าเห็นไหมเป็นไง เปลี่ยนเรื่องไรแล้วฮะีนไ้วันมันรคยงมาบอกาดอกีนป้าเขาบอกมรอกสาวออคนสาว แล้คิดหกคิดสองมืออทนา เงี่ยแลยนะทุัคนโอ้จ้าเขาคนเคยอยู่สูงอยู่สบายมาตามาดุงนันที่เนี่ยในค้นโทษจำรองหัวตายสูบระบบมี มีคนผู้เดียวกิจการขอของเงินท่องมันเยอใส่เยอซอยผมมทับอนบอกแล้วพราดายน่องนี้ได้วัดวหนาหนเหยียนไม แล้วกัคนซื้อซื้อซื้อโตเนี่ยมือนคุยกันไปคุยกันมาดิฉันก็พวบไปเขาหูคนเหมือนกันกัษอาจารย์เจ้าโตเขาหูผีด้วยกันก็ไปออกว่าเสอตัวนเป็น้นเจ้าอนานือวยนะเขาก็เป็นคนใหญ่ในโรงงานเขา่อยใส่อนานตั้งเกียรติเจ้าของก็ บอกว่าแตนมงานของแจวมันหันเนาะมันข้องนาจก็ฟาก็เจาคือสีบอกอันัง่ายๆก็ปัญญาันทพนกันกันก็เขมิก็ปูนข้องเสียงบ่เขาไก่ หินไลกันสิมาหลายอยู่เหมัอนมากพอทอดกับหินคุณสนข้อหน้าที่ดินทอดกับหินวัดถังขาม ป้าคุณหญิงถอดเทานี่ถอดวัันทุพัดเนาะองโซลนถอดป้าวัแหนอีกหลายกระโจรวมกันคงสีมาหลายคนอยู่คมาก <c oughs> มนไ่เคยเอกือมันเ่นเคยมีคนเขาวัดเขาว่าลายเอะ บอกปาดไปวอื่นมัวไปคนคนตอบคนตอนรับดิบดี ใช่เลยเนี่ยเราไม่ออกอะไรก็แนี่ยต่ถามเศ้าเินน่อยที่ต่อฟานใส่ฟนมาเยอเดือยบ่เดือหัดปันเดืยถึงจะมายอยู่ไใหม่เห็นเป็นหัดท่าอยู่พวกต้องม่เผื่อพวกเศร้าะเกินน่ย ฟังภาษาเขาบอกอยู่แลบ่ต่อสามห่มเอ็ดเหเนาะนึกหรออ้อนฮเอาเอาผิโตอีกได๋งานมันเอาอยู่